คู่มือมนุษย์เรื่องการทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชาคราวนี้จะอธิบายถึงวิธีทำความเห็นแจ้งให้เกิดขึ้นตามหลักวิชาไม่อยู่ในรูปของพุทธภาษิตและเป็นสิ่งที่อาจารย์ยุคหลังๆจัดขึ้นเป็นวิธีเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีอุปนิสัยอ่อนยังมองไม่เห็นทุกภัยตามธรรมชาติด้วยตาตัวเอง อย่างไรก็ตามนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ชนิดนี้จะวิเศษกว่าที่จะเป็นไปตามวิธีธรรมชาติเพราะเหตุว่าเมื่อตรวจดูพระไตรปิฎกโดยตรงจะเห็นว่ามีกล่าวแต่วิธีที่เป็นไปตามธรรมชาติทั้งนั้นแต่บางคนอาจเห็นไปว่านั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เฉพาะบุคคลที่มีบุญบารมี หรืออุปนิสัยได้สะสมมาไว้มากพอจนเพียงพอที่จะรู้สิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกับทำเล่นๆสำหรับผู้ที่ไม่มีบารมีไม่มีอุปนิสัยจะทําอย่างไรท่านเลยวางระเบียบปฏิบัติเร่งรัดไปตั้งแต่ต้นทีเดียวต้องให้ทำไปตามระเบียบตามลำดับอย่างรัดกุมระเบียบปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความเห็นแจ้งนี้ เพ่งเรียกกันในยุคอัตถกถาโดยชื่อใหม่ว่าวิปัสนาธุระให้เป็นคู่กันกันกบคันธทุระซึ่งเป็นเรื่องการเรียนตำราโดยตรงวิปัสนาธุระเป็นการเรียนจากภายในคืออบรมจิตโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับตำราคำว่าคันธทุระและวิปัสนาธุระสองคำนี้ ไม่ได้มีมาในบาลีพระไตรปิฎกจะมีปรากฏก็แต่ในหนังสือชั้นหลังๆเช่นอัทธกถาธรรมบทเป็นต้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็อาจใช้เป็นหลักเกณฑ์ได้ว่าวิปัสสนาธุระนั้นเป็นการงานของพุทธบริษัทที่ตั้งอกตั้งใจจะทำความดับทุกข์ด้วยการทำความเพียรในทางเพ่งพิจารณาโดยตรงคาว่าวิปัสสนานี้ มีทางฟั่นเฟืออยู่บางสิ่งบางอย่างคือในบางกรณีเกิดไปแยกธรรมทางจิตเป็นสองประเภทโดยเด็ดขาดคือทำเพื่อให้เกิดสมาธิประเภทหนึ่งทำเพื่อให้เกิดปัญญาอีกประเภทหนึ่งแล้วเรียกการทำสมาธินั้นว่าสมถภาวนาและเรียกการทำทางปัญญาว่าวิปัสนาภาวนาเลยทำให้วิปัสสนามีความหมายแคบเข้ามา เหลือแต่เพียงเรื่องปัญญาแต่โดยที่แท้แล้วคำว่าวิปัสสนาธุระต้องกินความรวมหมดทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือหมายถึงทั้งสมาธิและปัญญานั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นยังรวมเอาศีลซึ่งยังไม่ใช่ตัวภาวนาอะไรเลยเข้าไปอีกด้วยในฐานะเป็นบริวาร หรือเป็นบาทฐานของสมาธิเพื่อจะให้เข้าใจการปฏิบัติวิปัสนาได้เป็นอย่างดีอาจารย์แต่การก่อนนิยมตั้งหัวข้อไว้เป็นข้อข้อมาทีเดียวหัวข้อแรกที่สุดก็ว่าอะไรเป็นฐานที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสนาอะไรเป็นลักษณะเครื่องสังเกตว่าเป็นตัววิปัสนาอะไรเป็นกิจที่เรียกว่าวิปัสนา และอะไรจะเป็นผลสุดท้ายของวิปัสสนาเมื่อตั้งปัญหาว่าอะไรเป็นที่ตั้งอาศัยของวิปัสสนาก็ตอบว่าศีลกับสมาธิเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาหมายถึงการรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีจิตใจที่ปีติปราโมทย์ ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองใจข้อนี้ศีลช่วยได้ถึงที่สุดเมื่อมีศีลบริสุทธ์ก็มีปีติปราโมชฉะนั้นจึงต้องมีศีลก่อนคำกล่าวนี้มีหลักที่อ้างอิงในพระบาลีโดยตรงในบาลีมัชฌิมานิกายก็ได้มีการกล่าวถึงความบริสุทธิ์สะดวกของการปฏิบัติเป็นขั้นๆไปตามลำดับจนครบเจ็ดอย่างถึงที่สุด คือการบรรลุมรรคผลในขั้นแห่งความบริสุทธิ์เจ็ดอย่างนั้นท่านก็ยกเอาศีลเป็นข้อแรกเรียกว่าศีลาวิสุทธิคือความหมวดจดแห่งความประพฤติศีลาวิสุทธิก็ส่งให้เกิดจิตตะวิสุทธิคือความหมวดจดแห่งจิตความหมวดจดแห่งจิตก็ส่งให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิคือความหมวดจดแห่งความเห็น ความหมวดจดแห่งทิฏฐิก็ส่งให้เกิดกังขาวิตรณะวิสุทธิคือความหมวดจดแห่งความรู้ที่จะข้ามความสงสัยเสียได้ต่อไปความหมวดจดแห่งความรู้เป็นเครื่องข้ามความสงสัยก็ส่งให้เกิดมัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิคือความหมวดจดแห่งความเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นหนทางอะไรไม่ใช่หนทาง ความหมดจดในความรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางนี้ก็ส่งให้เกิดปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวการปฏิบัตินั้นๆปฏิปทายานทัศนวิสุทธินี้ก็ส่งให้เกิดยาณทัศนวิสุทธิอันเป็นขั้นสุดท้ายคืออริยมรรคซึ่งเป็นคู่กันกับอริยผล ผลเป็นสิ่งที่เกิดจากมรรคเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้เพียงแค่อริยมรรคในฐานะเป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติศีลหมายถึงการประพฤติที่ปราศจากโทษทางกายและวาจาถ้ายังมีความไม่ปกติทางกายทางวาจาอยู่แล้ว ยังเรียกว่าไม่มีศีลที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามความหมายของศีลเมื่อมีความปกติคือความสงบทางกายวาจาก็ยอมจะเกิดความสงบในทางจิตใจเหมาะที่จะปฏิบัติงานทางด้านจิตต่อไปคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมัคคามัคคายทัศสนะวิสุทธิปฏิปทาานัศนาวิสุทธิ และยาณทัทสนวิสุทธินั้นเป็นตัววิปัสนาแท้ศิลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิจัดเป็นปากทางของวิปัสนาวิปัสนาตัวที่หนึ่งความหมดจดของทิฏฐิหมายถึงการหมดความเห็นผิดที่เห็นกันมาแต่เดิมหรือตามสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ความเชื่องม ง, งายไร้เหตุผล ในเรื่องของไสยศาสตร์ขึ้นมาถึงเรื่องความเข้าใจผิดในธรรมชาติเช่นเห็นว่าร่างกายและจิตใจเหล่านี้เป็นของเที่ยงเป็นสุขหรือเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นผีเป็นอะไรอะไรในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์ไปทั้งนั้นไม่สามารถจะเห็นว่ามันเป็นแต่เพียงธาตุสี่หรือเป็นเพียงนามและรูปกายกับใจ แต่ไปเห็นเป็นตัวเป็นตนมีเจตพูดหรือวิญญาณที่เข้า้าออกๆอยู่กับร่างกายมองไม่เห็นว่าเป็นขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่าเป็นเพียงการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นต้นความคิดผิดจึงโน้มเอียงไปในทางยึดถือความขลังยึดถือความศักดิ์สิทธ จนทำให้เกิดความหวาดกลัวเลยต้องทำพิธีรีตองต่างๆ ต, ตามความเชื่อความเห็นผิดเหล่านั้นนี่เราเรียกว่าความเห็นยังไม่สะอาดหมดจดจะต้องเริ่มละความเห็นที่เหลวไหลอย่างผิดๆในขั้นห ย, ยาบๆทำนองนั้นให้หมดเสียก่อนจึงจะเป็นวิปัสสนาตัวที่หนึ่งเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิวิปัสสนาตัวที่สอง กังขาวิตรณะวิสุทธิก็คือการพิจารณาลงไปถึงเหตุดั้งเดิมทิฏฐิวิสุทธิทำให้เห็นคนคนหนึ่งเป็นเพียงกายกับใจกังขาวิตรณะวิสุทธินี้มีหน้าที่แยกดูว่ากายกับใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้มีมูลเหตุสร้างสรรค์ร่วมกันมาอย่างไรฉะนั้นจึงมองลึกลงไปอีกว่าความรู้ความอยากความยึดติด กรรมอาหารและอื่นๆมันสร้างสารรค์ปรุงแต่งกันมาอย่างละเอียดประณีตจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจกังขาวิจารณะวิสุทธิ์ที่กล่าวคือความหมดจดแห่งความรู้ที่จะให้ข้ามความสงสัยเสียได้นี่จึงหมายถึงความเห็นแจ้งในพวกเหตุพวกปัจจัยของสิ่งทั้งปวงนั่นเอง ในระเบียบของวิปัสสนานั้นท่านจำแนกความสงสัยเหล่านี้ออกไปราว้าถึง3 0อย่างแต่สรุปแล้วก็คือเป็นความสงสัยเกี่ยวกับตัวเรามีอยู่หรือไม่ตัวเรามีแล้วหรือไม่ตัวเราจะมีต่อไปหรือไม่ในลนักษณะอย่างไรเป็นต้นการจะข้ามความสงสัยได้นั้นก็ต้องอาศัยเหตุที่ได้ทราบว่ามันไม่มีตัวเรา มีแต่ธาตุขันธ์อายตนะพร้อมทั้งเหตุปัจจัยต่างๆเช่นอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมอาหารและอื่นๆซึ่งปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้โดยมันไม่มีตัวเราจริงๆแล้วเริ่มเลิกความเข้าใจคลาขๆว่าเรามีอยู่เรามีมาแล้วเราจะมีต่อไปนั้นซะเมื่อความสงสัยชนิดนี้ระงับไปแล้ว ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาตัวที่สองแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการถอนอุปาทานว่ามีตัวเราได้โดยสิ้นเชิงเพราะส่วนที่ละเอียดกว่านั้นยังมีอยู่อีกความสงสัยเหล่านี้ได้ระ ง, งับไปเพราะเรามีความรู้เรื่องการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยต่างๆจนเพิกถอนความเชื่อว่ามีตัวเราชั้นหยาบๆนี้เสียได้ วิปัสนาตัวที่สามเมื่อข้ามความสงสัยเช่นนี้ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดมร karma ยาณทัศนวิสุทธิคือความรู้อันสะอาดหมดจดเห็นว่าอะไรเป็นทางที่ก้าวต่อไปอย่างถูกต้องและอะไรไม่เป็นทางที่จะก้าวต่อไปได้อุปสรรคที่ทำให้ก้าวต่อไปไม่ได้อันนี้ก็มีหลายอย่างที่มักเกิดในขณะที่ทาวิปัสนาก็คือ ในตอนที่จิตเป็นสมาธินั้นมักจะเกิดสิ่งต่างๆชนิดแปลกประหลาดและจับอกจับใจแก่ผู้ทา ม, มากเหลือเกินเช่นเห็นแสงสว่างรุ่งเรืองน่าอัศจรรย์ปรากฏอยู่ที่ตาในโดยไม่ต้องลืมตาถ้ายิ่งไปโน้มจิตเพื่อให้เห็นนั่นเห็นนี่เข้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าใครเข้าใจผิดว่านี่แล้วเป็นผลของวิปัสสนาหรือยินดีว่า นี่เป็นของวิเศษพอแล้วสำหรับเราดังนี้ก็ตามมันย่อมกั้นหนทางแห่งความเห็นแจ้งในมรรคผลท่านจึงถือว่าเป็นเรื่องผิดทางตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเช่นเกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาท่่มท้นจิตใจเสเรื่อยตลอดเวลาจนไม่อาจพิจารณาอะไรได้อีกต่อไปหรือเกิดเข้าใจว่า นี่แล้วเป็นนิพพานในปัจจุบันทันตาเห็นดังนี้เป็นต้นก็ติดตันไม่ก้าวหน้าไปได้นี่ก็เป็นอุปสรรคของวิปัสสนาท่านยังกล่าวว่าแม้ความเห็นแจ้งในรูปในนามบางขณะบางครู่ก็ได้ทำความพอใจให้หลงคิดไปว่าตนเป็นผู้เห็นธรรมะอย่างวิเศษแล้วทะนงตัวฟุ้งซ่าน อยู่ด้วยความเห็นผิดต่างๆในเรื่องเหล่านั้นนี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคของวิปัสสนาในบางกรณีผู้ทาสมาธิใช้อำนาจจิตตนเองบังคับให้ร่างกายระ ง, งับจนแข็งทื่อไม่มีสติที่จะพิจารณาธรรมะหรือจะน้อมไปเพื่อความเพียรอันสูงขึ้นไปนี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการที่จะก้าวหน้าต่อไป แล้วคนก็นิยมชมชอบถือว่าเป็นคุณวิเศษเป็นมักผลผู้ที่พอใจหลงไหลแต่ในทางสมาบัตินั่งตัวแข็งทื่อไม่รู้สึกตัวจึงไม่อาจก้าวไปในทางปัญญาได้เลยเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยังมีอีกซึ่งอาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดเช่นเกิดความรู้สึกปีติเป็นสุขใจชนิดที่ไม่เคยพบมาแต่ก่อนเลย แล้วก็ประหลาดใจเหลือที่จะอธิบายได้ทำคนคนนั้นให้เกิดความพอใจเหลือที่จะประมาณเพราะว่าในขณะนั้นใจกับกายเป็นสุขแสนที่จะสุขปัญหาต่างๆหมดเกลี้ยงไปจากใจระลึกถึงเรื่องที่เคยรักก็ไม่รักระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยเกลียดระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยกลัวเคยหวาดเสียวเคยวิตกกังวลห่วงใยต่างๆ ก็ไม่เกิดความรู้สึกทำนองนั้นอีกเขาจึงหลงเข้าใจผิดไปว่าบัดนี้ตนเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงเพราะจิตใจของเขามีลักษณะหรืออาการราวกับบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสจริงๆตลอดเวลาที่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าเขาเกิดความพอใจในความเป็นอย่างนั้นอยู่เพียงแค่นั้นแล้วก็เป็นการตัดขนทางก้าวหน้าของวิปัสสนา และไม่เท่าไรอาการเช่นนั้นก็ค่อยๆเสื่อมหายไปสิ่งที่เคยกลัวก็จะกลับกลัวอย่างเดิมสิ่งที่ตนเคยรักก็จะกลับรักอย่างเดิมอะไรๆก็จะกลับสู่สภาพเดิมหรืออาจมากเกินไปกว่าเดิมเดิม